สองสมันกนก็มีครอบครัวหนึ่งมาก็เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็ไปวนแล้วขากลับคงจะแวะมาที่นี่ที่นี่คงจะเป็นขากลับของเขาสนใจเรื่องการปฏิบัติแต่ว่าก็ยังดูใหม่ ก่บการปฏิบัติอยู่เขาถามว่าทำไงถึงจะทำให้จิตว่างก็รู้สึกว่าเอ๊ที่เขาถามนี่มันอาจจะข้ามขั้นตอนไปหน่อยนะก็เลยนะ บอกเขาว่าให้ทําความรู้สึกตัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานพาฟังเขาก็งงหมายถึงอะไรความรู้สึกตัวแล้วจะงงเพราะส่วนมันก็เป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วนะก็ได้คือสอับหลายคนในเรื่องความรู้สึกตัวมันก็เป็นเรื่องธรรมดา ก็ไม่น่าจะมาต้องมาฝึกอะไรนะแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะแล้วก็แม้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ละเลยนะหรือว่าทำกันไม่ค่อยได้ในสิ่งที่เป็ น, พ, นพื้นเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะคนมักจะมองข้าม แล้วพอเวลาปฏิบัตินี่ก็ก็เลยนะคิดจะกระโดดไปนะกระโดดไปให้ถึงความว่างไปเลยแ้ทนะั้งที่ความรู้สึกตัวก็ยังทำกันไม่ค่อยได้นะหลายคนก็รื้สว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะแต่พอถามว่า ตอนนี้รู้สึกตัวไหมก็คงงงนะเพราะว่าถ้าหากว่ายังพูดคุยสนทนาได้มันก็น่าจะรู้ว่ารู้สึกตัวแต่จริงๆลองที่สนทนาใจก็อาจจะลอยก็ได้คุยกับเขาก็อาจจะไม่ได้ฟังในบางคาบางประโยคก็คได้พอใจลอย บางทีก็ลืมไปเยว่ากำลังนั่งสนทนาอยู่ความรู้สึกตัวมันเป็ น, น, ปนการทำความรู้สึกตัวนี่มันเป็นการปฏิบัติขั้นพื้นฐานนะที่มาเมียานิสง์มากอย่างที่พูดเมื่อวานนะพุทเจ้าตอัว่าเนียมื่อบุคคลมีความรู้สึกตัวอยู่ กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นส่วนอกุศลธ ร, รรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อบุคคลมีความสุขตัวอยู่ความสุขตัวน้ำย่ำเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อความมั่นคงนะไม่เสื่อมสูญไม่นตรธ า, านแห่งพระสัตธรรมอันนี้มันเป็นเรื่องที่คนก็ไม่ค่อยได้นึกถึงเท่าไหร่นะ คนที่สนใจการปฏิบัติแล้วก็จะนึกถึงเรื่องความสงบนะหรือเรื่องความว่างไปเลยคนที่อย่างที่พูดเนี่ยหรือไม่ก็พ้นทุกไปเลยนะแต่ว่าไอ้คนง่ายๆเนี่ยก็ปฏิบัติไม่ได้ไม่รู้จักไม่เข้าใจ รู้สึกตัวเนี่ยการทําความรู้สึกตัวเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสติปัฏฐาน4นะหรือผู้ใหญ่ก็คือเป็นส่วนของการเจริญสติเมื่อมีความรู้สึกตัวก็ทําให้การเจริญสติก้าวหน้าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยะจะมีความรู้สึกตัวได้ก็ต้องอาศัยสตินะหรือผู้ใหญ่ก็คือว่าก็ต้องมีสติก่อ น, นถึงจะมีความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เมื่อใจไม่เข้าไปในความคิดไม่ไหลแปรดีบไม่ลอยแปรนาคตไม่จมอยู่ในอารมณ์หรือเพื่ออะไรเพื่อใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไหรก็เกิดความรู้สึกตัวันใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวได้ก็เพราะมีสติเพราะถ้าไม่มีสติใจว่าท่องเที่ยวไปเรื่อยไปเรื่อยเปื่อย เมื่อมีสติสติที่รวดเร็วไวพอมันก็จะรู้ทันมันก็จะรู้รก็ใช่ว่าความะระลึกรู้รู้ทันในอารมณ์ความคิดที่กำลังเกิดขึ้นหรือกำลังครอบงำใจ ดูแล้วก็ก็จะหลุดนะทำให้จิตหลุดจากอารมณ์นั้นหรือเพื่อที่วก็ทำให้ทำให้เกิดความรู้ตัวขึ้นหลุดจากความหลงนังนแหละเพราะว่ามันเข้าไปในอารมณ์ได้เนี่ยหรือมันคิดฟุ้งปรุงแต่ได้เพราะมันหลงเผลอนั่นแหละพอรู้สึกตัวขึ้นอะมันก็ไม่ปรุงแต่งต่อไป มันก็หลุดจากอารมณ์นั้นหรือไม่ไม่ปรุงอารมณ์ให้มันยืดยาวไปความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นเวลารสึกตัวเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความคิดนะคนก็พยายามที่จะใช้ความคิดว่ารู้สึกตัวเป็นยังไงว่าถามเพราะว่าเนี่ยเวลากิน อาหของอร่อยเนี่ยควาอร่อยต้อใช้ความคิดไหมจริงแล้วเขาเผยเผยจะเผยต่อว่าใช่แต่สักพักก็คิดเวลาอร่อยนี่มันก็รู้สึกเองไม่ต้องใช้ความคิดแต่ก็อย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งคนสมัยนี้มันใช้ความคิดมากนะแล้วก็ท่งว่าเวลาถามมาตอนนี้รู้สึกยังไง เรื่องต่อเป็นความคิดต่อเป็นความเครียดตอนนี้กาลังคิดอะไรอยู่ถ้ามารู้สึกตัวเนี่ยก็จะรู้นะก็จะรู้รู้ว่ากายทาอะไรรู้ว่าใจเป็นอย่างไรหรือว่าเมื่อสักครูนี้เมื่อสักช่วงขณะ จ, จิตที่ล้วใจเป็นอย่างไรจะรู้สึกว่าเครียดรู้สึกว่า หดหงดิรู้สึกหนักอกหนักใจเวลาถามารู้สึกอย่างไรคนก็มักจะต้องใช้เวลาคิดสักพักที่จริงมันต้องใช้ความคิดมันแค่เข้าไปดูแต่ถ้าไม่คุ้นนี่ก็ควานหาความคิดไม่เจออาจจะหาควานหาความรู้สึกไม่เจ อ, อเพราะไม่เคยเข้าไปควานไม่เคยเข้าไปดู ว่ารู้สึกอย่างไรตอนนี้ผู้ง่าคือไม่ค่อยได้ย้อนกลับมามองมองใจเท่าไหร่นคนเดี๋ยวนี้เรียกว่าเหินห่างถึงขั้นแปลกแยกกับความรู้สึกของตัวรู้สึกอะไรตอบไม่ได้ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ย อาจจะรู้สึกกลัวรู้สึกโกรธนะอย่างที่เคยไลฟ์ฟังเนี่ยมีนักนักวิจัยคนหนึ่งก็ไปไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่เขาต้องการศึกษาว่าคนเวลามีความกลัวเนี่ย สมองมันทำงานอย่างไรส่วนไหนที่สมองส่วนไหนที่มีประจิกริยาหรือทำหน้าที่กลัววิธีการคือก็ใ ห, กให้ก็ให้อาสสมัคินี้ไปดูดูภาพหรือดูคลิปวิดีโอที่มันน่ากลัวอาจจะเป็น ภัยธรรมชาติคนที่ประสบภัยธรรมชาติอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บปวดจากสงครามก็คงภาพบาดเสียวนั่นแหละนะก็เปิดให้ดูติดติด ก, ก, กันเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะดูไปดูไปความดันก็ขึ้น หัวใจก็เต้นเร็วนะมันขึ้นมันพุ่งพรวนเลยนถึงระดับที่คิดว่ า, ามันกำลังจะเป็นอันตรายแล้วหมอที่เขาคุมวิจัยเขาก็คุมการทดลองเขาก็เลยขอให้หยุดฟิล์มันกบอกก็ถน้าตาประหลาดใจไว้จะหยุดทำไม ฉันไม่เป็นอะไรฉันสบายดีอะครับตอนนี้ก็ททำให้หมอคนที่คุมการทดลองนี่แกงงมากเลยเพราะว่าร่างกายของผู้หญิงที่มันฟ้องว่าเธอกำลังกลัวหัวใจเต้นเร็วความดันขึ้นเนี่ยสูงมากแต่เธอกลับไม่รู้สึกเลยว่า กลไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังกลัวนะครับหมอนี้เขาก็พบอะไรกันตอมาผูา้หญิงคนนี้ก็มีมีปัญหาในที่ทํางานมากเลยถึงแม้พ่อเป็นคนเก่งแต่ไม่มีใครครบหาสมาคุณกับเธอไม่มีใครอยากจะเกี่ยวข้องกับเธอเพื่อก็คือไม่มีเพื่อนทีแรกคนก็นึกว่าเป็นพราะแกเป็นคนชอบพูดมากหรือว่าเป็นคนอวดเก่ง แต่ว่าที่แท้เป็นเพราะว่าเธอไม่ค่อยรับรู้อารมณ์ความรู้สึก ข, ของใครพราะแม้แต่อารมณ์ของตัวเองก็ยังไม่รู้เลยนเรียกว่าด้านชาหรือมืดบอดแต่อารมณ์ของตัว น, นี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดูเหมือนอาจจะสุดโต่งไปหน่อยนะแต่ว่าคนธรรมดาสมัยนี้ก็โดยเฉพาะคนในเมืองก็เป็นกันเยอะ ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีความรู้สึกอย่างไรแม้กระทั่งถามก็ยังก็ยังควานหาความรู้สึกไม่เจอนะเพราะไม่เคยใช้ใจในการที่ไปรับรู้ความรู้สึกหรือไม่เคยมองตน น, นี่เรียกว่าความรู้สึกตัวพร่องนะคนส่วนใหญ่เนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยพร่อง ไอ้ที่มีเนี่ยก็คิดว่าที่มีก็คิดว่าตัวเองก็รู้สึกตัวอยู่แล้วนะสามารถจะพูดคุยรู้เรื่องนะทําอะไรก็ทาได้ถูกต้องขับรถขับราแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่ารู้สึกตัวนะในทางพุทธศาสนานะอะไรเป็นความรู้สึกตัวในทางการแพทย์นะคนไข้ที่ ที่ยาสลบยาสลบหมดฤทธิ์ฟื้นจากการสลบเนี่ยเอาก็เรยกว่าเออลุนลุนเน้อลุตัวล้วคนนี้รู้ตัวแล้วน ะ, นะหรือว่าคนที่เป็นลมแล้วก็สักพักนะก็ลืมตาแล้วก็สามารถมีปฏิกิริยาตอบสนองกับคนที่อยู่รอบข้างได้พูดแล้วก็ตอบได้ประชื่ออะไรอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้ตัวแล้ว นี่เป็นการรู้ตัวทางการแพทย์นะแต่ไม่ใช่รู้ตัวในทางพุทธศาสนาพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่มันหมายถึงการอยู่กับปัจจุบันด้วยเมื่อกระทำที่ใจอยู่กับปัจจุบันรู้กายรู้ใจเนี่ยอันนี้เราว่ารู้สึกตัวส่วนใหญ่เรารู้สึกตัวเป็นช่วงๆรู้สึกตัวเป็นพักๆอาจจะห้าสบห้าสบ หรืออาจจะเกินกว่านั้นก็ได้เพราะว่าเขาเคยมีการทำวิจัยเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยหรือเวลาทำแล้วก็ตามเนี่ยใจมันจะลอยไปสักแปดสิบเปอร์เซ็นใจมันจะอยู่กับงานที่ทำเนี่ยประมาณแค่สิบยี่สเปอร์เซ็นต่นแหละหมายความว่าสมมุติทำงานแปดชั่วโมงเนี่ยนะทำงานจริงๆเนี่ยนะมันแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะ ทำงานจิงไม่ถึงชั่วโมงที่เหลือใจลอยพุ่งนั้นถ้าไอ้ไอเพราะใจลอยนี่มนันเพราะที่ไม่รู้สึกตัวนะอพะอทารู้สึกตัวเนี่ยมันก็ผมไม่ปล่อยใจลอยเว้น mm. แต่ว่าเวลาจะคิดงานการอก็คิดอย่างความตั้งใจนี่ก็คิดด้วยความรู้สึกตัวได้แต่เพลิดเพลินเฉพาเดียวไปล่ะไม่ใช่ลอยอย่างเดียวบางทีมันจมหายก็ไปในในความคิดจนลืมตัวก็มี อันนี้ก็เป็นมากในหมู่คนที่ใช้ความคิดเยอะนัก mm hmm. ว, วิทยศ า, าศาส์ศาสตราจารย์อนี่ยบางทีอยู่ความคิดมากอย่างในเยอรมันมันเกือบร้อยปีที่แล้วมีคนคิดคิดคิ ด, ค, ด, ค, ดคิดเรื่องวิทยาศาสตร์นี่แหละทฤษฎีเกี่ยวกับฟิสิกสนะ์คิดแล้วก็มันก็ไปเลยนะ จะไม่ได้ไปแบบฟุ้งซ่านเขนคิดอยู่แบบอยู่แบบกับทฤษฎีวิทยานี่แหละจู่ๆก็เดินหกลม้มนะหกลม้มคนที่เห็นอยู่ข้างๆอยู่รอบๆก็เข้าไปประคองบอก็แกไม่พอใจนะบอกอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันยังไม่ว่างนะไม่เห็นเลยว่าฉันยังไม่ว่าง คือแกคงไม่รู้ว่าตัวเองกําลังหกล้มอนะหรือว่านอนวัดพื้นไปแล้วตอนนั้นเพราะใจมันยังลอยใจมันยังคิดถึงเรื่องใจมีสมาธิมากนะ ก, ก, กับกับการคิดสูตรวิทยาศาสตร์นี่ยอันนี้ก็เรียกไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวนี่ไม่ใช่เพราะใจลอยฟุ้งซ่านเรื่อยเปลื่ยแต่ว่าเพราะมันจมหายเข้าไปในความคิด จมหายก็เป็นในความคิดก็ลืมตัวนั่นแหละการปฏิบัตินี้ของเราเนี่ยปฏิบัติเพื่อไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไม่ต้องคิดไปไกลนะเอาแค่ว่าให้รู้สึกตัวก่อนทำความาสึกตัวเวลาใจลอยก็รู้นะว่าใจลอยแล้วกลับมาเวลาหงุดหงิดก็รู้ มีอารมณ์ใดเกิดขึ้นนะก็ไม่เข้าไปเป็นในอารมณ์นั้นนะแต่ว่ารู้หรือว่าเห็นหลวงพ่อเขียนนั้นก็ให้หลักการแบบง่ายๆคือเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นอย่าเขาไปอย่าเข้าไปเป็นไห้นะตเที่ยงเห็นอยู่ไม่มีความรู้ตัวนะมีความรู้ตัวรู้ว่าภาวะที่เห็นนั่นแหละนะที่มันทำให้ มารู้ตัวอันนี้มันเป็นหัวใจเป็นทางรัดอย่างที่พูดเมื่อวานวันวเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อบอกเพราะว่ า, วาที่ดูเพระาะที่เห็นเห็นแล้วมันก็ไปเป็นเนี่ยมันเป็นมันเป็นการปฏิบัติที่ย่นย่อที่สุด น, ะนะเหมือนเปลี่ยมากระมในกรรมมือเดียวรำ ม, ม้าี่มันเยอะมากนะในพระไตรปิฎกก็ว่ามีการมือนสีพร ะ, ระธรรมขัน นี่ขณะผู้เจ้าบอกว่าธรรมะโลกนี้เป็นเปรียบเหมือนกับใบไม้ในกำมือนะแต่แม้กระทั่งนี่นนแม้เป็นใบไม้ในกํามือนี่ก็ก็มีคนจําแนกถึงว่ามีถึง8 4, ปดหมื่สพระธรรมขันธนะ์ธรรมะเจ้าเป็นใบไม้ในกํามือนี่มาถึงเปรียบเทียบกับใบไม้ในป่าก็ดูมันน้อยนะแต่ทั้งที่น้อยเนี่ยนะถ้าจําแนกเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นสัมนวนนะที่บอกเนี่ย มีแปดหมื 4, รรรม่นสี่พันพันรัคันแต่ในแปดหมื 4, ม่นสี่พัันรัเนี่ยมันก็ยังสามารถย่อยสั้นลงได้อีกนะก็เหลือเนี่ยหลวงพ่อเห็นว่าก็เนี่ยมันก็จะได้แก่ความรู้สึกตัวหรือว่าการที่อยู่ในการหรือการที่เห็นไม่เข้าไปเป็นเมื่อเห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมันก็รู้สึกตัวนะไอาอารมณ์ต่างก็ยิง่งต่างก็เกิดขึ้น แต่ว่าครองจิตคลองใจไม่ได้เพราะว่าเราไม่เข้าไปเป็นมันก็อยเป็นมันเมื่อไหร่คือหมายถือว่าปให้มันครอบงามจิตใจตอนนั้นก็จะลืมตัวหลงตัวไม่ว่าเป็นอารมณ์ใดก็ตามจะดีใจก็ตามเสียใจก็ตามเนี่ยเข้าไปเป็นเมื่อไหร่มันก็ก็เรียกว่าลืมตัวหรือที่หลงหลงพ่อเนี่ยใช้คว่าหมดเนื้อหมดตัว หมดนื้อหมดตัวเนี่ยไม่ได้ว่าไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนแต่มันหมดไปทั้งตัวเลยเพราะาที่เห็นเขาไปเป็นมันเป็นวิธีการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นเป็นหลักตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดตอนปฏิบัติใหม่ๆก็ต้องเห็นก็พยายามฝึกให้เห็นแล้วก็ไปเป็นซึ่งก็ก็ทํากันไม่ค่อยได้ใหม่ๆ ามันคิดแ่เข้าไปเป็นตลอดเวลานะแม้ว่าจะไม่ชอบในอารมณ์นั้นนะเช่นหลายคนก็บอกว่าเนี่ยความโกรธไม่ชอบความเกลียดไม่ชอบนะแต่ว่าเกิดขึ้นทีไรก็เขา้าไปเป็ น, ปนทุกทีเป็นผู้โกรธเป็นผู้เกลียดนะแม้กระทั่ทงความฟุ้งซ่านคำถามที่ไม่จะเกิดขึ้นนะก็คือว่า ทำไงถึงจะไม่ฟุ้งซ่านปฏิบัติยังไงนะถึงจะไม่ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเหลือเกินนะหลายคนก็เลิกปฏิบัติเพราะทอปฏิบัติทีไรเพราะมันฟุ้งซ่านที่จริงฟุ้งซ่านไม่มีปัญหานะถ้าเราเห็นนะเขไม่เข้าไปเป็นนะไอที่เป็นปัญหาเพราะว่ามันไม่เห็นอะไรี๋มันเข้าไปเป็นทังที่ไม่เชอาความฟุ้งซ่านแต่ว่าเข้าไปเป็น ทำไมถึงไม่เข้าไปเป็นก็พราไม่ชอบนั่นนะความไม่ชอบความไม่เข้าไปเป็นเพราะไม่ชอ บ, อชอบก็เข้าไปพอไม่ชอบก็เข้าไปไปผักไปใสนะ่ไปกดไปข่มพอเข้าไปกดไปข่มไปผักไปใสนั่นแหละก็เสร็จมันเลยอย่างที่เล า, า, าเมื่อวานเวลาคนก็จะคนก็จะจับนกเนี่ย จับไก่เนี่ยแล้วก็จะเอานกเอาไก่เนี่ยที่เลี้ยงไว้เนไปลอ่อนกมันไม่มันเห็นมีคนมายุ่มย่ามในถิ่นของมันมันก็ไม่พอใจไก่มันก็จะเข้าไปไล่จะเข้าไปไล่นกต่อเข้าไปไล่ไก่ต่อเข้าไปไล่เพราะอะไรเพราะไม่ชอบมึงมาอยู่ในถิ่นของกูมึงต้องออกไปพอเข้าไปไล่ก็ ติดบวงเลยแล้วว่าเสร็จเสร็จพรานเลยนะพรามมันมีวิธีลอ่อวิธีจับสัตว์อย่างสองแบบ น, นะล่อ ด, ด้วยหนึ่งล่อ ด, ด้วยสิ่งที่มันชอบนะเช่นเอาเนื้อเอาเก้งมาล่อเสือเอานอนมาล่อปลานะอีกอันหนึ่งคือล่อ ด, ด้วยสิ่งที่ไม่ชอบ น้ำมันก็เหมือนกันน้ำมันก็ใช้วิธีล่อล่อติดดักใจเราเนี่ยด้วยวิธีเนี่ยสิ่งที่ชอบก็เช่นกามาคุณท่าหรืออิฐถารมพอชอบก็อยากจะเข้าไปยืดไปคลองก็เสร็จมันเลยพอไม่ชอบก็ไปปักใสไม่ไม่พักเราไปผักใส่ก็เสร็จนคนหลายคนนี่ไม่ชอบความฟุง้งซ่านก็เข้าไปยามกดข่มบงัง เรผักสายความฟุ้งซ่านหรือบังคับจิตไม่ให้ฟุง้งซ่านก็เสร็จเลยนะเข้าไปเป็นเลยนะไม่ชอบนะแต่ก็เข้าไปเป็นซะนละก็เลยฟุ้งซ่านใหญ่เลยคนนี้แล้วก็เลยทุกเพราะว่ากลุ้มใจหงุดหงิดราคาญอันนี้เราไม่รู้สึกตัวนะ ไม่เห็นนะแต่ก็ไปเป็นถ้ารู้สึกตัวนี่มันก็จะเขาไม่เข้าไปไม่เข้าไปก็ ไ, ไ, ปไปสู้ไม่ก็ไปไปรวมลันทันตัวกับความฟุง้งซ่านหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่ไม่พอใจหรื อ, อนนี่อา น, นิถารลมก็จะแค่เห็นมันเฉยๆเห็นแล้วก็ไม่ไปเสียเวลากับมันนะกลับมาอยู่กับปัจจุบัน กำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นนะกาลังสร้างจังหวะ ก, กาลังตามลมหายใจกาลังเดินจงกลมกาลังทำครัวกาลังอาบน้ะก็ปล่อยมันไปมันจะฟุ้งซ่านกับเรื่องของมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่ควา ม, วมรู้สึกตัวเมื่อรู้รู้สึกตัวมันก็มันไม่ก็ไม่หลงเข้าไป คือลบตกมือกับอารมณ์ต่างๆหรือผู้อยากก็คือว่าไม่เข้าไปแบกอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้เป็นเพราะไม่ชอบก็เลยแบกมันเอาไว้ความไม่ชอบความผักสก็ทําให้ยึดติดไม่ชอบความโกลัวไม่ชอบความเกลียดก็พอไปผักไสมันก็ก็กลายเป็นแบกมันเอาไว้เลย คนที่ไม่ชอบความโกรธความเกียิแต่ว่าโกรธเกียิได้ทั้งวันไม่ชอบความฟุง้งซ่านแต่ฟุง้งซ่านได้ทั้งวันอันนี้ เ, เพราะแบกมันเอาไว้และที่แบกเพราะมันไม่รู้ตัวเมื่อคนที่แบกหินน่ะปากก็บอกว่าหนักหนักหนักแต่ก็ยังแบกมันอยู่อันนี้เรียกว่าเพราะลืมตัวลืมตัว หลายคนเนี่ยนะเกร็งนะเกร็งเกร็งกล้ามเนื้อจนกระทั่งมันมันทำงานจนกระทั่งมันทำให้เจ็บให้ป่วยนะบางทีเอียงคอมั่งละหรือว่าเกร็งกล้ามเนื้อบางส่วนเช่นมือหรือขาม้างละเกร็งจนกระทั่งนะ มันทำให้ร่างกายเสียสมดุลก็รู้ว่าก็กรวมันผิดปกตินะแต่ว่าคลายไม่ได้หรือบางทีไม่รู้ตัวด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางทีหมอก็ต้องใช้วิธีการถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายวิดถายคลิปวีดีโอเพื่อใหเขาเห็นว่าเนี่ย อันนี้คือการยืนของเขานี่คือการการเดินของเขาเขาดูเห็นเขาเขารู้เออมันเดินผิดท่ า, นะ ห, ร า, นะทาหรือว่าเอียงไปนะเดินผิดท่าหรือว่าเอียงสิบยี่สิปีไม่รู้ตัวเลยรู้อย่างเดียวว่ามันมันปวดมันเครียดมันยอกมันมันทรมานพอเห็นรูป ทายที่หมอทายแลย้วออรู้เลยตอนนี้ค่อยมารู้ตัวยังไม่รู้ตัวมาสิ20 10ี่ปีสาปีนี่นะเพราะว่ามันมันทำจนชินไงทาจนชินคนที่โกรธจนชินเนี่ยมันก็ไม่รู้ตัวว่าโกรธนะคนที่ฟุ้งจนชินไม่รู้ตัวว่าฟุง้ง ถามว่าลูกเสียงอะไรก็เลยตอบไม่ได้ว่ากําลังโกรธอยู่หรือกำลังฟุ้งซ่านอยู่เพราะอยู่กับมันจนชินจนจนมองไม่เห็นนะนะเป็นความมืดสีขาวความมืดสีขาวหมายความว่าการที่อยู่อะไรนานๆจนมันคุ้นมันเลยมองไม่เห็นอยู่กับความโกรธจนมองไม่เห็นความโกรธอยู่กับความฟุ้งซ่านอนู่มองไม่เห็นความฟุ้งซ่าน จนกว่าจิตเ น, นี่ยมันจะออกมาจากความกลัวความฟุง้งซ่านหรือมาอยู่มาอยู่กับเพราะที่ปกติเมื่ออยู่กับเพราะที่ปกติสัมบัตกับความปกติได้มันก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างปกติกับไม่ปกติตอนนั้นแหละที่เริ่อนยู่้โอ้ที่ผ่านมานี่เราเป็นคนเครียดหลือเกิดเราฟุ้งซ่านหลือเกินอยู่กับความฟุ้งซ่านตั้งนานมันไม่เห็นเหมือนที่เขาพูดว่าเนี่ยนกไม่เห็นฟ้าฟ้าไม่เห็น น้นอนไม่เห็นอาจมนกอยู่กับฟ้ามาต้องนานมองไม่เห็นปลาอยู่กับน้ำมาต้องนานก็มองไม่เห็นนอนอยู่กับอาจมต้องนานก็มองไม่เห็นแต่ว่าในกรณีของคนเราเนี่ยนะในกรณีของนกเนี่ยฟ้ามัอยู่นอกตัวปลาน้ำก็อยู่นอกตัวอาจมมันก็อยู่นอกตัวหนอน แต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาของเราคือไอ้สิ่งที่อยู่นภายในใจเรานี่แหละมันอยู่กับเราตลอดเวลาความคุ้มสร้างความความกลัวความอยู่กับตัวเองตลอดเวลาไม่ได้อยู่นอกตัวแต่มันอยู่ในใจแต่มันก็มีผลเหมือนกันคือพอมันเกิดขึ้น บ, บ่อยๆก็ก็มองไม่เห็นความหาไม่เจอ เนี่ยหลงมานานคนที่หลงมานานเนี่ยมันไม่รู้จักนะความรู้สึกตัวแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองมีความรู้สึกตัวอยู่พอบอกให้มาเจริญสติให้ทำความรู้สึกตัวนี่ก็สวยมันทําไมแนะนําอะไรที่มันง่ายๆอะไรที่มันมันมันพื้นพื้นขนาดนั้นนะไอพน้พื้นพื้นนแหละที่มันยากกลับมาอยู่กับปัจจุบันก็เป็นเรื่องพื้นๆ้นนะแต่ว่าก็ทํากันไม่ค่อยได้ใจมันก็รอย รางที่ฟังอยู่เนี่ยใจก็ลอยไปโน่นใจก็ลอยไปนี่ไอ้ตอนลอยเ็ย่งไม่รู้ตัวนะเพรพอลอยอยู่บ่อยๆก็เลยก็เลยไม่รู้สึกว่าความการใจลอยนี่เป็นปัญหาอย่างไรสังเกตมาเวลาตัวใจเราลอยเนี่ยคิดไปนโน้นคิดไปนี่เนี่ยพูดอะไรไปก็ไม่ได้ยินมันได้นแ่เสียงแต่ว่ามันไม่สามารถจะเก็บถ้อยคําอะไรได้ถ้อยคาก็ตกหลน่นหรือว่า ตบนอยู่ข้างหูนั่นแหละบางทีร่างกายก็นั่งอยู่ก็ไม่รู้นั่งเพราะว่าตอนนั้นลืมตัวไปแล้วยรื่มือสร้างจังหวะใจลอยเมื่อไหร่ก็ลืมตัวเลยนะว่ากำลังยกมือมันไม่รู้สึกนะมันไม่รู้สึกตอนที่ใจลอยท่านครูบาอาจารย์ท่ า, านท่าก็ใช้คําว่ารู้สึกรู้สึก พอพอคุณคารู้สึกตัวงงคูให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวงงให้รู้สึกนะรู้สึกอะไรรู้สึกว่ากายกําลังเคลื่อนมือกําลังไหวนิ้วกําลังกระดิกเนี่ยถ้าจำอยู่ก็จตัวรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกนะเวลากายทําอะไรรู้สึกตัวเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะกายเคลื่อนไหวใจก็รู้หรือรู้สึกนะ แต่ทั้งว่าแม้กระทั่งเวลาคิดนึกอะไรก็เห็ น, นและการเห็นมันก็ทำให้กลับมารู้สึกตัวใหม่ไอ้ตอนที่ไม่เห็นเนี่ยมันก็ลืมตัวไปแล้วล่ะแต่ว่าถ้าเราฝึกให้มีความรู้สึกตัวเร็วมันก็จะลิรลดรู้อารมณ์นั้นได้ไวเห็นอารมณ์นั้นได้แจ่มชัดไม่ค่อยไปเป็น พอเห็นมันก็จะวางเห็นมันก็จะวางไอพ่อไม่เห็นนั่นแหละก็ไปเป็นนั่นแหละมันถึงมันถึงปรุงมันต่อไปเรื่อยพอเอามาเห็นมันแล้วมันมันก็ปล่อยมันก็วางหรือมันก็ละแล้วก็กลับมาจิตกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันหน้าที่ของสติเนี่ยคือความระลึกได้ระลึกได้สิ่งที่ผ่านไปแล้ว แล้วก็รู้ทันในสิ่งที่เป็นปัจจุบันหรือว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเราใช่อดีตเราใช้อดีตในการระลึกสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็ระลึกได้แต่ว่าไอ้ระลึกได้ว่ากําลังเมื่อกี้กําลังสวดมนต์อยู่หรือว่าขณะนี้กําลังฟังอยู่เนี่ยบางที ปอครั้งมันระลึกไม่ได้อั น, นเพราะมันไม่ใช่สมมาสติถ้าเป็นสมาสติเนี่ยมันจะไม่ได้ระลึกได้ในเรื่องนอกตัวแล้วมันระลึกได้จําได้เรื่องเรื่องตัวเองเรื่องกายเรื่องใจกําลังสร้างจังหวะอยู่สละใจลอยคิดโน่นคิดนี่สักพักก็ระลึกได้โอเ้เรากำลังสร้างจังหวะอยู่นะ แล้วลึกได้อย่างจิตมันกลับมาเลยบางทีการเจริญลึกได้กาใสยความรู้สึกนะมือมันเคลื่อนเท้ามันเดินเกิดความรู้สึกมันก็เตือนใจให้ระลึกได้ัความรู้สึกมีประโยชน์นะความรู้สึก ม, มือเคลื่อนไหวเท้ากํลาลังเดินหรือตัวกํลาลังเคลื่อนมันจะเป็นเหมือนกเสียงเตือนจิตให้กลับมาระลึกได้ว่าเอ๊ะนี่เรากาลังยกสร้างจังหวะเรากาลังรงกลมเรากำลังตามลมหายใจอยู่ พอมาลึกได้มันมันวางเลยนะวางความคิดโครงสร้างต่างก็ ค, คล้ายกับเราดูหนังเพลินนะดูหนังเพลินเด็กหรือว่าเล่นเฟซบุ๊กเพลินว่รารลึกได้เอ้เรามีนัดเนี่ยเรามีนัดเรามีนัดต้องหรือว่าได้เวลาไปอทำวัดแล้วได้เวลาไปรับลูกแล้ว พอมันกขึ้นมาได้นะมันวางนะไอ้ที่ทําที่ทําอะไรเรื่อยเปลื่ยมันวางเลยแล้วก็รีบทํางานทันทีแล้วว่าหน้าที่ที่ควรทาก็กลับมาทำทันทีอันนี้เพราะสติเพียงแต่ว่าสติที่เราพูดถึงในการปฏิบัติมันไม่ใช่สติที่จะระลึกได้เรื่องนอกตัวระลึกได้ว่ากาลังบินนัดกับใครที่ไหนแต่มันเห็นมันรู้ระลึกได้ว่ากําลังตัวเองนี่กาลังทําอะไรอยู่ กำลังสร้างจังหวะกำลังเดินโยมกลมกำลังขับรถกำลังทำครัวกำลังอาบน้ำแล้วมันก็วางไอสิ่งที่ทำให้หลงทำให้ลืมนะลงทันทีเลยไม่จะเป็นความคิดเป็นอารมณนะนะ์มันเปรียบเทียบคล้ายๆกันนะแต่เพียงแต่ว่าสติในอสองกรณีนี้มันไม่ใช่สติชั้นเดียวกันนะไอสติที่เราเลืกได้ว่าเอ้ยนี่เรา ต้องไปรับลูกนะเราไปต้องไปเรามีนัดเนี่ยนะัสติตัวหนึ่งนะสติที่เราเลื่อนตัวนี่กําลังทําอะไรอยูนะ่ที่ดึงจิตให้กลับ ม, มาอยู่กับสิ่งที่กําลำำังนทะําเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะเรียกว่าสัมมาส ต, ตินะสัมมาสติ ส, มม ส, ต, สติที่เราลึกได้ในเรื่องนอกตัวนี่ไม่ใช่สัมมาสติสัมมาสติคือ สติปัฏฐานคือติที่ทำให้เลาเลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจรุ้ทานอารมณ์ทานความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้จิตกรรมอยู่กับปัจจุบันกลับมารูนะ้เรู้ตัวในสิ่งที่ต้องฝึกนี่คือ น, นี่แหละสัมมาสตินี่แหละแต่ว่ามันมีความเหมือนกับตรงที่ว่ามันเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจสติสองกรณีมันเกิดขึ้นมีความคล้ายกันอย่างหนึ่งคือมันเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ผลขึ้นมาเองให้ความระลึกได้ที่เกิดจากการตั้งใจก็มีนะเช่นเราท่องเราจำศัพท์นี้ไม่ได้แล้วก็ท่องท่องท่องท่องท่องพอเจอศัพท์นี้ต่อไปในวันหน้าเราก็ระลึกได้วนมันแปลว่าอะไร Differentiation ศัพท์นันแปลว่าอะไรนะต้องเปิดดิกเปิดดิกท่องท่องท่องท่อง พอเจอคํานี้อมราระลึกได้แล้วว่าออมันแปลว่าทําให้เกิดความแตกต่างอี้อันนี้เราว่าความระลึกได้ที่เกิดจากการการทําซ้ํำๆการท่องบ่อยๆเกิดจากเจตนาแต่ว่าความระลึกได้ที่เป็นสมาสตินี่แล้วก็ฝึกได้เหมือนกันนะต้องเราทําบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆเอาละฉันจะพูดกับท่นนี้ครับครับ